สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะมาอีกแล้วนะอ่าระยะเวลา อ่ะเยี่ยมเยือนโลกในต่างๆต่าง 3 วันนี้ก็อาศัยเป็นโอกาสพิเศษค่ะท่านอยู่ ไปพบกับพระภิบูรณ์อภิปุณโณนะค่ะท่านคะเจิมบานค่ะเมื่ออืมแล้วก็เลยงอกงาม ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการเกิด 5 รูปคือเวฬจัมปกี ไอ้ทำไมความเกิดเป็นทุกข์แล้วบางคนอาจจะฟังแล้วงงนะคุณหยำติ๋วค่ะๆก็เรื่องกันหรือเปล่า นั่นมันหมายถึงสิ่งที่ทนได้ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเอาไหมนี่<ใช> ไม่ใช่ว่าเราไปทนมันได้ยากนะแต่ตัวมันเองเนี่ยทนการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งคุณตั้งน้ำแข็งไว้ที่อุณหภูมิห้องมันทนอยู่ในสภาพแข็งๆของมันเนี่ยไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นน้ำยิ่งร้อนขึ้นมันต้องเปลี่ยนเป็นไอเมื่อที่มันระเหิดขึ้นจากของแข็งคือน้ำแข็งเนี่ยกลายเป็นไอทันที <แ S 1> เข้าใจนะค่ะเป็นฝั่งๆเลยน้ําแข็งละลายเป็นทุกข์คือคือความที่ที่บางคนอาจจะอ่ามันเป็นไปได้ยังไงอ้าวก็คือนิยามไง นั่นแสงว่าน้ําแข็งเนี่ยเป็นทุกข์ล่ะน้ําแข็งเป็นทุกข์เพราะอะไรไปได้มั้ยภูเขา การเกิดเปลี่ยนแปลงได้มั้ยคุณไม่ได้เกิดทุกวันคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นทุกข์คุณโยมติว เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอ่อหมายถึงว่าสัตว์เดรัจฉานที่เป็น<ใช> นะอันนี้คือตัวประเภทของการเกิดแล้วทีนี้เอ่อคุณเอ่อ อประโยชน์หรือว่าเค้าเรียกว่ารสอร่อยของการค่ะและ 2 ปีก็ยังฉลองนะจะ 8 ฉลองทุกวันพุธ มันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตลอดนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความที่ๆเมื่อไหร่มันยิ่ง อ่ะทีนี้วิธีเอ่อเหตุของมันมาจากอะไรเจ้าการ<ใช> นะผลมันก็คือจะมีการแก่การตายความโศกความร่ํารำพันความ ฉันไม่อยากเกิดกับเธอละไม่อยากลูกเธอไม่อยากเกิดประเทศนี้คือคือถ้าเบื่อในลักษณะที่ เราก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แต่คุณไม่ได้เบื่อการเกิดเนี่ยคุณเบื่อที่นี่ใช่มั้ยเอ่อถ้าคุณเบื่อคนนั้นคุณก็ไม่อยาก ยังก็นี่คนน่ะเบื่อเซ็งระเบิดโทรศัพท์เครื่องนี้เบื่อคนนั้นเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนใช่มั้ยวางแล้ววางเลยนะไม่ไปเอา นะถ้าเราคุยเรื่องการเกิดอย่างดีนี่นะคุณโยมติวสิ่งที่สิ่งที่จะทําให้เราเกิดขึ้น<ใช> การเกิดคุณบอกคุณเป็นทุกข์ใช่มั้ยนั่นแหละนั่นน่ะมันเคลือบจะวางก็ได้นะวางเค้าได้ปุ๊บสิ่งนั้นก็จะไม่ ถ้าตามแนวทางของพระพุทธศาสนาถ้าตามแนวทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัส ถ้าไม่ใช่น้ําแข็งเอาเอามาเป็นตัวเราจะชัดขึ้นแม้ หนา 3 แล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมกันถ้าคือ 3ๆไปพร้อม สิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นนะทุกข์นะอย่างมีครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราค่ะอืมเพราะฉะนั้นๆซึ่งสมัยนี้เขาจะแต่ วันนี้ท่องอย่างนั้นไม่ได้แล้วถ้าจะให้เข้าใจสมบูรณ์อ่าคือคือจะพูดอย่างนั้นอย่างที่ค่ะเอ่อในอีกอ่า เป็นเป้าหมายสูงสุดต้องการให้พวกเราได้ใช่ๆนะคะค่ะก็ได้ความกระจ่างเยอะทีว่าเราจะ เรามองไปข้างหน้าเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสเหมือนกันถ้าจะเกิดอีกหรือถ้ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามท่านไพบูลย์ต่ออีกในวันพรุ่งนี้ ที่สถานีวิทยุ FM 106 ค่ะเราใช้เวลากันมาพอดีๆนะคะก็สวัสดี